ในอุทานต่อเนี่ยนะอุปเสสนะวังคันตบุตรสูตรถ้าภ า, าฤฤษาริบุตรเนี่ยนะชื่อตามแม่อุปเสสนี่ชื่อตามพ่อพ่อของภ า, าษาริบุตรชื่อว่าวังคันตพรามทีนี้พระอุปเสสนี่มีชื่อตามพ่อภ า, าษาริบุตรมีชื่อตามแม่อุปเรียกว่าอุปเสสนะวังคันตบุตรสูตรถ้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวัน กาลันทกานิวาปะสถานใกล้กรุงใกล้พระนครราชครึกครั้งนั้นแล่ท่านพระอุปเสศวังคันตบุตรลีกร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตตกแห่งใจขึ้นอย่างนี้ว่า mm hmm. เป็นลาบของเราหนอะเราได้ดีแล้วหนาะเป็นลาบด้วยได้ดีด้วยว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราใครเคยดีใจบ้างว่า หม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคเป็นวาสนาของเราเหลือเกินที่ได้นับถือพระพุทธเจ้า น, นะใครที่อย่างนี้ก็คิดตามพร ะ, พระอุปเสสนะดีดคิดอย่างนี้คิดให้มากๆนี่ดีก็ต่อไปบอกว่าท่านดีใจว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วที่ได้ออกบวชเป็นบนรนตะชิตในธรรมวินยัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้ใครดีจะ ด, ดีใจบ้างมีบวชอยู่คนเดียวนะต่อไป ก็ดีใจแต่ว่าเป็นราบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอเพื่อนพรหมจันทร์ของเราเนี่ยมีศีลมีธรรมอันงามของพวกเราอยู่เนี่ยดีใจไหมที่ได้เพื่อนร่วมเรียนพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะนั่นนะก็ดีใจมั่งเสียใจบ้างนาะบางคนดีใจมั่งเสียใจมั่งนะขะคมเนกันบ้างทะเลาะกันบัง่งต่อไปบอกว่าเราเป็นราบของเราเราได้ดีแล้วหนอเราเป็นผู้กระทําบริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย อันนี้ก็อธิศีลสิขาใช่มคุณสมบัติของตัวที่มีอยู่ภายในเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอันดีอันนี้ก็คือสมาธิเราเป็นผ้าหันตะขีนาศบคือเป็นผ้าหันผู้สิ้นอาสวะแล้วและเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากชีวิตของเราจเจริญความตายของเราจเจริญหมายถึงว่าถ้าตายก็คือสิ้นทุกสักทีนนะ ก็เขบอกว่าเออตายแล้วมันน่าดีใจตรงไหนก็ยมว่าดีน่าดีใจไหมที่ว่าโรคมะเร็งหายขาดเนี่ยดีใจหรือเสียใจพรนะอรหันต์เขบอกว่าโอ้ดีใจแล้วที่มะเร็งมันหายขาดสักทีหนึ่ง น, นนะแต่ว่าโอ้เมื่อไรเนื้อมันจะงอกนาะเนี่ยผู้ทุชนคิดอย่างนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความปริวิตตกแห่งใจของท่านพระอุปเสสนวังคันตบทด้วยพระหฤทัยแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชีวิต ย่อมไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นไม่ผู้นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศกในที่สุดคือมรณะถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วซ้ายเป็นนักปราชัยย่อมไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางแห่งสัตว์มีความโศกภิกษุผู้มีภวะตัณหาอันตัดขาดแล้วมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่ พนะระอง์ก็อุทานปลารบถึงพระอุปเสศน์บอกว่าชีวิตย่อมไม่ทําผู้ใดอ่าเขไปชีวิตย่อมไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศกในที่สุดคือความตายชีวิตไม่ได้เดือดร้อนเลพระอรหันต์ให้ท่านเดือดร้อนในเรื่องชีวิตไหมแม้ตายท่านก็ยังไม่โศก น, นะของเรานี่ถ้าได้ข่าวว่าตัวเองจะตายเนี่ยโศกไหมเนีนะ เรากลับบ้านแล้วนอนไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยที่บอกว่าอุย๊ยตายนี่เชื่อแน่แบบไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปอกว่าโอ๊ยยังไงเราก็ตายแน่นะแต่เขาบอกว่าอีกสิบนาทีอะอย่างนะเงี้ยนะเหงื่อท่วมเลยนะอย่างเงี้ยแต่ที่บอกว่าอีกนานนะเหมือนกับโอ๊ยเรานี่ท้ายเราเชื่อว่าเราตายแต่อีกนานนานนี่ไม่ดีอาจจะเป็นคนสุดท้ายของโลกเลยซ้ำไปนะบางทีมคิดนานขนาดนั้นอนะ ก็เลยทําให้ดูท่าเหมือนกับไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไยบทตัวนั้นเป็นเชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้ามีนิพพานเห็นแล้วคนที่เห็นนิพพานได้ก็เป็นนักปราดผู้นั้นก็ไม่เศร้าโศกในท่ามกลางหมู่สัตว์ผู้เต็มไปด้วยความโศกหมู่สัตว์ที่เกิดมาในโลกนี่เต็มไปด้วยความโศกใช่ไหมแต่ว่าพระ้าหันที่เห็นนิพพานแล้วท่านเลิกโศก เพราะเห็นบทที่ไม่โศกบทที่ไม่มีโศกาปบริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต์นั้นก็เลิกโศกเลิกทุกข์ผู้มีภวะตัณหาตัดขาดแล้วหมครับว่าตัณหาที่ซัดไปเกิดในภพใหม่ก็ถูกกาจัดตัดขาดออกไปเป็นเป็นผู้มีจิตสงบนะไม่ฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็มีชาติปการปฏิสนธิชาติคือปฏิสนธิ สังสาระคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะนี่จบสิ้นสักทีเรียกว่าเป็นผู้ที่ปรองภาระได้เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่มีพบใหมเ่เรื่องราวของท่านพระอุปเสสนวังคันตพรามนี่วังคัน ต, นนตบุตรนี่เป็นอย่างไรวังคันตพรามนี่เป็นพ่อของพระอุปเสสนเรื่องอยู่ว่าพระเทระนี้เป็นน้องน้องชายของท่านพระสารีบุตรบวชในพระศาสนา ภาษาธิบที่มีพี่น้องอยู่เจ็ท่านบวชหมดเลยบวชหมดแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์หมดท่านนี้ก็เป็นน้องชายของภาษาริบทบวชในพระศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทท่านนี้ยอุปสมบทได้สองพรรษาก็เป็นอุปชาคือปกตินั้นจากกรณีของพระอุปเสศเนี่ยหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าผู้ที่จะเป็นอุปชาได้ต้องมีพรรษาสิบขึ้นไป นะตอนนี้ท่านได้เพิ่งได้สองพรรษาท่านก็เลยเป็นอุปชาซะเลยท่านให้อุปสมบทภิกษุรูปหนึ่งพร้อมกับภิกษุรูปนั้นเป็นอุปถาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภิกษุนั้นเป็นเสด็จทวิหาริศของเธอนะซึ่งทั้งที่มีพรรษาสองพระองค์ก็ติดเตียนโดยที่มาในคัมภีคันทะกะว่าดูก่อนโมฆบุรุษเธอเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเร็วนัก คล้ายว่าก็คิดดูนะว่าเท่ากับเด็กอายุสองขวบแล้วมีลูกเลยอะอะไรจะเกิดขึ้นพรรษาสองก็เท่ากับเด็กสองขวบนั่นแหละแล้วมีลูกเลยอะนะจะไปเลี้ยงเขายัางไงไปเอาอะไรไปสอนเขาอัะนนะั้นตนเธอนี่มักมากเร็วเกินไปเนื่องด้วยคณะพอฟังคําว่าโมฆะบุรุษเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากเร็วไปเนี่ยท่านสังเวชสลดใจอย่างสุดซึง้งเหมือน เหมือนมา้าม้าดีอ่ะนะม้าชั้นดีเนี่ยถูกตีด้วยแส้เนี่ยนะก็เจ็บมากเลยว่างั้นไอ้เจ็บนี้ไม่ใช่โทสะนะแต่ว่ามันรู้สึกสังเวชสลดใจอย่างสุดซึ้งเกิดความอุตสาหะขึ้นว่าแม้ถ้าบัดนี้เราอาศัยบริษัทถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนก็เพราะอาศัยบริษัทเหมือนกันจึงได้รับการสรรเสริญดังนี้แล้วท่านก็สมท า, านทุตธรรมทั้งหมด สมาทานทูดงเจริญวิปัสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุอภิน ญ, ญาหกพร้อมปฏิสัมพิทาสี่เป็นพระมหาขีณาสพแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยนะสมาทานทูดงเหมือนกันพร้อมกับนิสิตเหล่านั้นเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยเป็นอุปชาที่คัดเลือกลูกศิษย์บอกว่าถ้าเธอจะมาอยู่กับฉันเธอต้องรักษาทูดงนะเธอรักษาได้ไหมถ้าเธอไม่รักษาฉันไม่ให้เธอถือนิสยัยฉันไม่บวชให้เธอเพราะฉะนั้น จะต้องถือทุดงจะต้องอะไรเนี่ยจึงจะยอมรับเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะท่านก็มีข้อแม้เยอะลูกศิษย์ก็ถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็าพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับคําสรรงเสริญจากสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องด้วยบริษัทโดยนายเป็นต้นที่มาในสัทธะศิกขาบทว่าอุปเสณบริษัทของเธอนี้น่าเลื่อมใสเนี่ยนะ กลายเป็นว่าได้ลูกศิษย์ของท่านนี่ดีหมดเลยเพราะว่าตอนแรกท่านาบอกท่านเสียใจมากถูกตำหนิเพราะลูกศิษย์ต่อไปจะต้องได้รับคําชมเพราะลูกศิษย์มันก็เลยฝึกลูกศิษย์ให้เป็นพระที่ดีหมดเลยมันบอกโ อ, อุปเซนสิกขาบทของอบริษัทของเธอหรือลูกศิษย์ของเธอเนี่ย น, น่าเลื่อมใสแลก็เลยแต่งตั้งท่านไว้ในเอตถะคะ่ะ เ, เอตถะทะักฆะก็คือความเป็นผู้เลิศว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายบรรดาสาวกของเราผู้มีความเลื่อมใสรอบด้าน น่าเลื่อมาสไปทุกอย่างไปหมดเลยคือพระอุปเสศวังคันตบุตรเป็นเลิศนะในบรรดาภิกษุ8ปดิรูปท่านก็จัดเข้าไปในรูปหนึ่งเป็นลูกเป็นพระที่มีรูกสิทย์อย่างน้อยห้าร้อยรูปเนี่ยนะวันหนึ่งท่านกลับจากบิณฑบาตผายหลังพัดคือฉันเสร็จแล้วเมื่อพวกอันเตวาสิกสู่ที่พักกลางวัน ของตนของตนก็ถือเอาน้ำจากหม้อน้ำล้างเท้ารูปตัวให้เย็นลาดท่อนหนังแล้วก็นั่งพักผ่อนกลางวันนึกถึงคุณความดีของตนนะใครที่กลับบ้านแล้วก็นั่งนื้เอเ็เราได้ดีอะไรบ้างนะชาตินี้เก็บความดีอะไรบ้างถือเอาสาระอะไรจากชีวิตบ้างก็นั่งทบทวนถึงคุณธรรมของตนนะไม่ใช่นึกถึงก็นั่งเอาผ้าขี้ริ้วมาดูตัวนึ่นะตรงนี้ก็แหวงตรงนั้นก็ทะลุตรงนี้ก็รูโบถ้าอย่างนี้ก็ นึกแล้วก็เศร้าใจใช่ไหมแต่นี้ก็เหมือนกับว่าคลี่ผ้าอย่างดีมาดูเนื้อก็อดีละเอียดไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดทะลุเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ใครที่ทบทวนตัวเองก็เหมือนฉันนั้นนั่นแหละพวกนิสิตของท่านหลายร้อยหลายพันรูปช่วยกันบำรุงท่านไม่ขาดสายเนี่ยนะท่านนั้นส่งมนสิการมุ่งตรงต่อพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอันดับแรก คุณความดีของเราสาวกยังมีประมาณเพียงเท่านี้คุณของภาษาสดาของเราเป็นเช่นไรนเนาะขนาดเราเนะี่ยยังขนาดนี้เล ย, ยงั้นขนาดลูกศิษย์เนี่ยไม่ได้คิดด้วยมานะคิดด้วยกุศลนะเพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วพวกนิสิษย์เหล่านั้นหลายพันโกดพากันบำรุงท่านตามสมควรแก่พลังญาณท่านระลึกถึงพระคุณของภาษาสดาอันเหมาะสมแก่ภาวะที่ปรากฏแจม่มแจ้ง โดยในเป็นต้นว่าวิธีเจริญพุทธคุณน่ะ น, นะ <S <S ท่านก็บอกว่าพระศาสดาของเรามีศีลอย่างนี้มีศีลศีลของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงศีลทั้งที่เป็นโลกิยะศีลที่เป็นโลกุตระพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีธรรมอย่างนี้คือมีธรรมคืออะไรธรรมคือสมาธิเนี่ยนะสมาธิของพระองค์เป็นอย่างนี้สมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาทั้งโลกียะโลกุตระเป็นต้น มีวิมุตต์คือสามัญญผลอย่างนี้และโดยนายเป็นต้นว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอระหันต์อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตเป็นต้นหลังจากนั้นท่านก็ระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยนายเป็นต้นว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยนายเป็นต้นว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ นนอุโชปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นต้นแบบที่เราสวดนั่นแหละต่างต่างต่าง้างเรือรบใครเจริญแล้ว อ, อรหังปีติมากบ่อยไหมตาเป็นสีนี่อารหัง ป, ปีติเลยอสาธุเออเนาะทาบุญไดมาเนาะเก่งมากนะนะหลายคนเป็นไงปีติบ้างไหมตาหน้าปีติบ้างหรือเปล่าอารหังก็ปีติเลยเ อ, อ๋อมีบางครั้งนะอ่า ทำให้มันหลายครั้งก็แล้วกันให้มันหนานาหน่อยนะถ้าบางมากไม่ค่อยดีให้มันหนานาหน่อยันจะได้เหล็กกล้า <c oughs> อันตีติถ้ามีหนาหนามีบ่อยๆนี่ก็เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์และความสุขทีนี้พอท่านละลืกถึงคุณของพระตนะไตรคุณของพระตนตไตยก็ปรากฏแจ่มแจ้งด้วยอาการอย่างนี้พระมหาเถรุอุปเสณวังคันตบุตรจึงมีใจชื่นชมเบิกบาน นั่งสเสวยปีติโสมนัตอันโอลานยิ่งใหญ่มากนะปีตินี้มีโวราการโวราการเนี่ยก็คือมีกิริยาอาการเป็นอันมากนะก็ปีติในแต่ละบทแต่ละบทท่านก็ปีติโสมนัตปีติโสมนัตคือท่านระลึกถึงคุณของพระรัตนะไตรแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยท่านปีติเกิดตลอดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้ท่านได้อุปจาระสมาธิ อุปจาระสมาธิที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์มีพระธรรมคุณเป็นอารมณ์และมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์นั้นคนที่ระลึกถึงคุณพระตนะไตรแล้วปิติที่สุดนี่ก็คือพระอรหันต์เป็นต้นเพราะผู้ที่รู้คุณพระตนะไตรเท่าใดจะมีปีติมากเท่านั้นที่ดูพระพุทธเจ้าเห็นพภาษาริบุตรนั่งท่านก็ปีติแล้วใช่ไหมเห็นพระโมกขลานะนั่งก็ปีติเห็นพระมหากัสปะท่านก็ปีติพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาระลึกถึง สังข้คุณเดี๋ยวต่อไปพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงคุณของพระสาวกเหล่านั้นพระองค์ก็ปีติเนี่ยนะทางของเราถ้าเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณแล้วมีปีตินี่ก็นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะบางคนเรียนธรรมะเรียนไปเรียนมาพระพุทธเจ้าแล้วก็แห้งแล้งกลายเป็นคนไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากอะไรรู้ไปสมัมหมดเลยนะถ้าอย่างงี้ยอมว่าเจริญนึกไหหรือว่า ก็เกือบจะล้มละลายอยู่แล้วนั่นน่ะล้มละลายในทางอริยทรัพย์เหมือนกันอริยทรัพย์นี่แทบไม่เหลืออะไรแล้วเบื่อเหลือเกินที่จะต้องสวดมนต์เนี่ยนะสมัยบวชเด็กๆเนี่ยอย่างนั้นอุ้ยเวลาได้ยินเสียงระฆังสวดมนต์เนี่ยมันน่าเบื่อที่สุดเลยนะตอนนี้จะถ้าเป็นอย่างนั้นเสียหายมากเลย น, น, ยะะนั่นน่ะตอนคําสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นแค่ว่าเสียงเชิงชวนให้สรรเสริญพระรัตนตรัยเหมือนระฆังอมาตะนะจะต้องให้มันดังแบบนั้นแทน แต่ก็เคยมีนะบางคนเนี่ยกำลังจะฆ่าคนพอดีเลยนะชักปืนเตรียมจะยิงแล้วตีสี่พอดีะระฆังดังแป้งแป้งแป้ ง, ป ง, ปงวัดเขาทําวัดก็เลยเลิกไม่ฆ่าเนี่ยนะคือคื อ, คอเขามีเรื่องอยู่เรื่องนึงอ่ะนะเป็นเรื่องจริงอะ่ะภรรยาเขาเนี่ยไปเที่ยวบ่อยมากไปเที่ยวกลางทืนเที่ยวบ่อ ย, ย, อยแล้วก็ก็มีผู้ชายเนี่ยมาส่งหลายครั้งหลายครั้งข่าวก็รกแคาราคายก็ดักร้อยเป็นจริงหรือเปล่าก็บอกว่าจริงก็ ก็เห็นหลายคืนแล้วว่าคืนหลังสุดก็เตรียมปืนนะเตรียมจะยิงแล้วก็กําลังง้างปืนเตรียมจะยิงอ่ะระฆังดังเลยแป้งแปงแป้ ง, ป ง, ป ง, ร, งระฆังเขาพาสวดมนต์ตีสี่นะก็เลยไม่ฆ่าบอกเสียงระฆังช่วยว่า ง, งั้น <c oughs> ไม่งั้นก็ตกนรกนะนะคือจะฆ่าด้วยเหตุผลใดก็ช่างอะมันก็บาปวันยังิค่ำนั่นแหละถึงจะฆ่าคนมีศีลฆ่าคนทุศีลมันก็บาปบัญัติค่านั่นแหละ เพราะฉะนั้นเขาก็บาปแต่เรื่องของเขาไปทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขาด้วยเขาก็เลวเฉพาะตัวเขาทําไมเราจะต้องไปเลวกับเขาด้วยทุกคนเขาก็มาด้วยบุญด้วยกรรมของตนเนี่ยนะทำไมเราจะต้องไปขอแบ่งคนอื่นเราไม่ใช่เป็นศาลของโลกที่ไหนคอยตัดสินใจว่าใครควรจะมีชีวิตอยู่หรือใครควรจะตายท่านก็หมู่สัตว์คู่ผู้มาด้วยกรรมเป็นของของตนนั่นแหละชีวิตของใครก็ของใครนั่นแหละใครไม่รับผิดชอบไม่ดูแลบุญธรรม ศีลทํามใครอยากจะทำชั่วใครอยากจะไปอบายก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขานะเราทำยังไงจะประคับประคองใจเราไม่ให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตและนรกนี่นะเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในที่พระอุปเสสนวังคันตบด ท, ท่านก็อยู่ในที่ระโหคตสะเนระโหฐานเนี่ยก็คือที่ลับอ่ะนะเป็นผู้โดดเดี่ยว ความปริวิตตกแห่งท่านที่เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ว่าลาภาวตามีความว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์คือท่านมีลาบลาบของ พ, พระอุปสเสนคือไรหนึ่งท่านได้เป็นมนุษย์ 2. การอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า 3. การมีศรัทธา 4. การบรรลุมรรคผลเป็นต้นเหล่านั้นจัดเป็นลาบของเราอันน่าอัศจรรย์จริงหนอ มันเป็นลาบลาบใหญ่มากเลยนะที่ดใครได้ลาบเหล่านี้นะลาบข้อแรกก็คือการได้เป็นมนุษย์ถ้ามีอุท า, าอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษที่ยืนอยู่ฝั่งทะเลข้างหนึ่งนะมีเตา่าเต่าอยู่ตัวหนึ่งโผล่กลางทะเลพอดีบุรุษที่ยืนอยู่ฝั่งตะวันออกก็โยนบ่วงไปเลยโยนไปคล้องเต่าพอดีเพราะในก็บอกการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากเท่านั้นถ้าสมมุติเราไปเกิดเป็นปลานในทะเลโยมจะเอาบุญอะไรมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่ ว่าในการเกิดคาราว่าโยนบ่วงเข้าไปสวมคอเต่าที่โผล่ในทะเลเนี่ยนะยากฉันใดการเกิดเป็นมนุษย์ยากฉันนั้นอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาในยุคมีพระพุทธศาสนายาก พ, พอๆกับคนที่ไปยืนด้านที่ใต้แล้วโยนบ่วงมาสวมคอเต่าตัวนั้นอีกตามเดิมอันนี้คือความเป็นมนุษย์ยากข้อที่สอง พูดอย่างนี้นะใครที่อายุมากเข้าก็เศ้าใจเหมือนกันนะความได้เป็นมนุษย์มันเกือบหมดแล้วเนี่ยจะเอาเวลาที่เหลือทําอะไรเหลือเวลาคนละไม่กี่วันนุงเรื่องเอาเวลาที่เหลือทําอะไรเนี่ยก็ศึกษาพระธรรมเนาะนี่ต่อไปก็ว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะแล้วจะได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเลื่อมใสในพระศาสนาเนี่ยยากพอๆกับคนที่อยู่ในทิศตะวันตกและโยนบ่วงเข้ามาสวมคอเต่า เนี่ยนะอันนี้มันยากขนาดไหนใชที่จะมีศรัทธาเพื่อได้ฟังธรรมเนี่ยนะยากมากเพราะว่าปัชวนไปฟังธรรมกระชวนไปรบน่าจะชวนไปรบนี่ง่ายเกณฑ์คนไปรบยอมว่ายากไหมเว้ ย, ยสงครามเนี่ยนะได้ยินเสียงสงครามนะส่งเช่นนะส่งไปอิรักนะทหารไทยไม่ใช่ว่าตั้งเกียรตนะยินดีที่จะไปเนี่ยจะเอาไปเท่าไหร่ละ่ะเขาอยากไปกันทั้งนั้นเลย mm hmm. กับถ้าเทียบเัาไปฟังธรรมนะโอ้ยเกณฑ์ไปฟังธรรมนี่มันยากเกณนอะไรขนาดนั้น เกณฑ์เอาทหารไปฟังธรรมดูเถอะไม่เชื่อดังนั้นการมีศรัทธาเนี่ยเป็นของยากโดยเฉพาะมีศรัทธาถึงกับเข้าไปหานั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรมเนี่ยเป็นของยากยากประการที่สามนะัเหมือนกับยืนหยุดฝั่งตะวันตกแล้วโยนบ่วงมาสวมคอเตา่าแล้วที่จะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็เหมือนกับยืนอยู่ในทิศเหนือแล้วโยนบ่วงมาสวมคอเตา่าอีกครั้งหนึ่งการที่จะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยยากฉันนั้น พราะตอนนี้เราได้กี่อย่างแล้วตอนนี้เราได้ความยากสามอย่างนะหนึ่งเป็นมนุษย์สองการอุบัติของพระพุทธเจ้าสามเราก็มีศรัทธาแล้วก็นั่งฟังข้อที่สี่เนี่ยจะสําเร็จหรือไม่นะดูว่าจะทํากิจนั้นสําเร็จหรือเปล่ากําลังทําอยู่นะกําลังทําอยู่เป็นครั้งคราวอย่างงี้หรื่าจะต้องแบ่งเวลานะบอกใช่และตอนคุยกันเนี่ยทําอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะก็ต้องดูเวลาอื่นเพราะว่าวะอะไรนะ วันหนมียี่ี่ชั่วโมงแล้วทําอย่างนี้กี่ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งมีเจวันแล้วที่อยู่อย่างงี้กี่วันอย่างนี้นะเดือนหนึ่งมี30วันเนี่ยแล้วทำอย่างงี้กี่วันปีหนึ่งมี12เดือนแล้วทําอย่างนี้กี่เดือนอย่างนะเราชีวิต50ปี60ปีเจิปีแล้วทําอย่างนี้กี่ครั้งก็ก็คํานวณดูเถอะว่าสมควรที่จะได้บรรลุมรรคผลหรือไม่ทัา <c oughs> น, นถ้าใครที่แบบได้แบบพระอุปเสสนาวังคันตบุตรท่านบอกว่า ลาภาวตาัตเเมเป็นลาภของเราเนอะเป็นลาภของเราเนอะว่างั้นว่าต่าแปลว่าหนอเป็นลาภของเราแล้วเนอที่ได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลสุสลัดทางวัตเเมสุลัดทางแปลว่ารัท่าก็คือได้นั่นแหละการได้เราได้ดีแล้วเนอได้ดีนี่ได้อะไรคือได้บรรประชา เป็นสัมมาเนนได้อุปสมบทเป็นพระพิษุบววและเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งนั่งใกล้พระพุทธเจ้านะไม่ใช่ไปนั่งใกล้พระเทวทัตจะยุ่งเลยนัะบววแล้วก็นั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้พระธรรมนั่งใกล้พระสงฆ์นะก็มีพี่ชายเป็นอัครสาวกด้วยเนี่ยนะมีน้องเป็นเอตทะคะทั้งหลายรูปมันเราได้ดีแล้วเนี่ยนะได้ดีจริงๆเพราะเราได้แล้วในพร ะ, พระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นั้นเราได้ดีแล้ว จริงเชียวเนาะแบบนั้นได้ดีจริงๆโดยเฉพาะได้บวชได้รักษาศีลเนี่ยก็คือได้อริยสัพย์เพราะท่านได้อริยสัพย์คือศรัทธาด้านท่านได้อริยรัพย์คือศีลท่านได้อริยสัพย์คือฮิริโอตตะท่านได้อริยรัพย์คือสุตะท่านได้อริยรัพย์คือจากทะแล้วท่านได้อริยสัพย์คือปัญญาในโสดาปติมักโสดาปติผลได้อริยรัพย์ในมัคผลทั้งหลายเราฉะนั้นถือว่าสุรัดทางวัตเมเราได้ดีแล้วเนาะ จำไหมนะลาพาวัตะเมสุรัตทางวัตะเมเราไดเา้เราได้ดีแล้วเนาเราอะไรนะเราได้ราบแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอใครที่อุทานได้อย่างนี้บ่อยๆก็แสดงว่าก็แสดงว่ามีคุณธรรมเยอะนะแต่เช้าแล้วเนออย่างเงี้ย น, นะฟังแล้วเศร้าเนอะอย่างเงี้ยก็ชีวิตอะไรจะแห้งแรงขนาดนั้น <c oughs> บทว่าศรัทธาวัตะเม สรัทธาวัตเมก็คือศรัทธาศรัทธาคือใครศาสดานะศาสดาคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาเพราะท่านพร่มสอนเหล่าสัตว์ตามสมควรด้วยประโยชน์ในภพนี้เนี่ยนะให้รู้ว่าประโยชน์ในโลกนี้วิธีดําเนินชีวิตในโลกนี้ควรทําอย่างไรการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์ในโลกหน้าทีนี้พระองค์ก็แนะนําถึงเพื่อให้ได้รับปรมัภิประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ที่สูงสุด ประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็คือการประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพเป็นต้นวิธีสแสวงหาทรัพย์ที่สา ม, มารถให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างตลอดสายทีนี้ชีวิตในโลกหน้าสอนประโยชน์ในโลกหน้าก็คือการให้ทานการรักษาศีลคือประโยชน์ในโลกหน้าการอ บ, บรมเจริญอริยมรตมีองค์แปดก็เพื่อประโยชน์ที่สูงสุดพระองค์นี้ก็สอนประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมด พระองค์ชื่อว่าพักว่าเพราะเหตุมีความเป็นผู้มีภาคยธรรมเป็นต้นนะพระพุทธเจ้านั้นอรหังอรหันเพราะอะไรไกลจากกิเลสทั้งหลายกําจัดซี่กรรมแห่งสังสาระจักก็คือกําจัดเจตนายีบก้าวได้หมดแล้วกําจัดฆ่าศึกคือกิเลสนะนะฆ่าศึกศัตรูภายในเป็นผู้สมควรแก่สักการะมีปัจจัยเป็นต้น ไม่มีความลับในการกระทำบาปอันนี้คือความหมายขอ ง, ของคำว่าอารหังอรหังตรงนี้ยกมาห้าอย่างใช่ไมหนึ่งไกลจากกิเลสสองหักสีกรรมแห่ง 3. สังสาระจากรสามกจัดค่าศึกคือกิเลสสี่คู่ควรสมควรแก่เครื่องสการะมีปัจจัยสี่เป็นต้นและก็ไม่มีความลับในการทำบาปถ้าอารหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้านั้นก็บอกว่าไกลาจากคนชั่วอยู่ใกล้ต่อคนดีคนดีทั้งหลายไม่ ทอดทิ้งได้รับการพักดีที่มั่นคงจากคนดีทั้งหลายท่านไม่มีบาปประธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ควรยกย่องควรสรรเสริญโดยพระคุณตามเป็นจริงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองตรัสรู้อะไรบ้างก็ตรัสรู้โดยชอบก็คือตรัสรู้อริยศาสตร์หรือตรัสรู้อภินญยยธรรมปริญัยยธรรมปหาตาปธรรมภาเวตาปธรรมสัจจิกาตาประธรรม หรือตรัสรูท icism, ้ทำทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันตรัสรู Honestly, ้ทั้งสังฆะและอสังฆะตรัสรู้ทุกประการก็ได้ดีแล้วที่เรามีศาสดาเช่นนี้นะที่จริงถ้าถ้ามานั่งนึกบ้างนะตามบทสวดมนต์โ้ได้ดีแล้วที่เราได้นับถือพระอรหันต์ได้ดีแล้วที่เราได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีแล้วที่เราได้นับถือพระผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ ได้ดีแล้วที่เราได้นับถือพระผู้เสด็จไปดีแล้วเราได้ดีแล้วที่ได้นับถือพระผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้รับถือพระผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายไม่มีผู้ใดเท่านะได้ดีแล้วที่ได้นับถือผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ามีบุญแล้วได้ดีแล้วที่ได้นับถือพระพุทธเจ้า ได้ดีแล้วที่ได้นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นนะนะแต่ละบทแต่ละบทนี้ถ้าใครมีปีติโสมนัตได้อย่างนี้ก็เรียกองค์มีทรัพย์คือศรัทธานะทุกทุ ก, ทกบทเอามาตามระลึกเพื่อให้เกิดปีติและปราโมทย์เนี่ยนะเราเจริญพระพุทธเจ้าหรือเจริญบุญของเราเอง น, น, นะนะคือเราชมพระพุทธเจ้าหรือไม่ชมพระองค์ก็เสมอตัวนั่นแหละพระองค์ก็ไม่ได้อะไรหรอก แต่ว่าเพื่อการเจริญสัตทินรีของเราสัตทินรียของเราจะมั่นคงได้ก็ด้วยการตามระลึกนึกถึงกุลของพระพุทธเจ้าดีใจไหมแต่ละครั้งที่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า, เ, านะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าบอกว่าศรัทธาที่มีต่อแต่ละบทแต่ละบทนี่คือทรัพย์ของเราที่เราจะต้องเพิ่มพูนนึกถึงหนึ่งครั้งก็ดีใจหนึ่งครั้งที่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าคนในโลกนี่นะทั้งหมดเนี่ยห้พันล้านเนี่ยใครพิเศษที่สุดก็คือ พระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยเป็นคนที่น่าคิดถึงน่าระลึกถึงน่ากราบน่าไหว้เป็นต้นเนี่ยถ้ามีวิจารณญาณได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสัตทินรียนี่มีกําลังมากเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่แท้จริงแต่ไม่งั้นบอกว่าถ้าเลือกจะไปไหว้พระพุทธเจ้าก็เลือกขาเพื่อนอัานไหนก่อนสาธุครยมพูดเองนะ พูดเองเออเองตั้งใจเองนะเนะก็ดูกันแล้วกันว่าวันไหนเขามีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าล้วจะเลือกเอาวันไหนอันนี้ข้อแรกท่านดีใจแล้วที่ท่านได้สาดาเช่นนี้ได้สาสดาที่เป็นพาะอาหัรแต่สำ ม, มาสำพุทธเจ้านะที่สำคัญก็คือพยายามศึกษาพุทธคุณเหล่านี้ให้ให้เข้าใจให้ถ่องแท้จะได้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นศรัทธา เขาบอกว่าศรัท ธ, ธาที่เกิดด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นศรัท ธ, ธาที่มั่นคงเป็นศรัท ธ, ธาที่คนอื่นไม่ต้องตามรักษาแต่ถ้าศรัท ธ, ธาที่ที่เกิดด้วยความไม่เข้าใจนะต้องอาศัยคนอื่นเกลียดกล่อมอยู่ตลอดเวลาเอาไหมถ้าเราลักษณะต้องถูกคนอื่นเขาแนะนําเขาอ้อนวอนขอร้องทะลูกเอ้ยขอให้ลูกมีศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรัยเธอพระพุทธเจ้าท่านดีจริงๆแม่ขอร้องเช้าขอร้องเย็นเป็นต้นเนี่ยนะแม่มันน่า ลูกเอ้ยทำไมลูกมันฉลาดน้อยอย่างนี้อย่างเงี้ยนะีย <c> ม <oughs> ันก็ขอให้ได้ปีติปราโมทเนี่ยนะที่จริงนะถ้าเราเอ้ยทาไมปีติปราโมทเราอ่อนเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนานะขอให้มีปีติมีปราโมทในคุณของพระพุทธเจ้าทําไมนึกถึงพระองค์แล้วชีวิตของเรานี่แห้งแล้งจังเลยอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าขนาดนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเศร้าหมองนี่แสดงว่าโอหมันเป็นเอามากนะองเงย เหมือนกับว่าอะไรนะป่วยมานานแล้วเขาบอกว่าหมอคนนี้รักษาได้หายจริงๆอ่ะนะได้ยินคำว่าหมอแล้วก็เฉยๆนี่ก็แสดงว่าอาการดูท่าจะยากนะดูท่าจะรักษายากเพราะหมอให้ยามาไม่ยอมกินแน่นี่นะก็กลายเป็นคนไข้ที่เยียวยาไม่ขึ้นฉันใดผู้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ใจก็แห้งแล้งอับเฉาอยู่นั่นแหละก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดแล้วในบรรดา บ, บุคคลทั้งหลาย บางคนนี่ไม่ยอมฟังแม้แต่กระทั่งคาว่าพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วจบนะตามทางของเถอะนะทางไปสู่คติห้าใครจะเลือกเดินไปทางไหนก็ไปตามใจ น, มนี่มาดูว่าท่านได้ดีแล้วที่ท่านได้นับถือสวากขาโตภควตาธรมโมท่านได้เลื่อมสายในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วใครที่ดีใจบ้างที่ได้มีพระไตรปิฎกเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวก่อนอันดับแรก เนี่ยนะได้เล่มสักเล่มสู่สองสูก็ยังดีงนะนะอุ่นใจไว้ก่อนนะเขาบอกว่าขอให้มันได้มีไว้อุ่นใจไว้ก่อนอ่านไม่อ่านค่อยว่ายทีขอให้มีไว้ก่อนนะขาหลายคนกขว่างนะขอให้มีไว้ก่อนนะรู้ไม่รู้เอาไว้ก่อนเนี <tava S 1> ่ยนะบางคนบอกว่าดีใจเหลือเกินที่ได้อ่านพระไตรปิฎกเ น, นี่ยนะนะขอให้ได้อ่านเธอเนี่ยนะรู้ไม่รู้ก็ขอให้ได้บุญได้มีโอกาสได้มีบุญให้อ่านเธอไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้ได้อ่านเนี่ยนะก็ เพราะอะไรเพราะคำสอนเหล่านี้แต่ละบทแต่ละบทสอนไว้ดีจริงๆดีใจที่ได้อ่านเนี่ยนะไม่ใช่ได้เวลาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็หาว่าว่าะถ้าอย่างนี้ก็ได้เสียแล้วเนาะไม่ใช่ได้ดีแล้วได้เสียสิมันก็ได้ดีใจโอสนะ้สูตรนี้ก็นกกี่นะสูตรนี้ก็นําออกจากทุกสูตรนี้ก็นําออกจากทุกสูตรนี้เขาก็บรรลุกันเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธามีกําลังมีแรง ไม่อย่างงั้นอ่านไปแล้วก็โอ้ยสามสี่สูตรแล้วก็ใครจะไปทำตามได้ไงนะใครจะไปทำตามได้พูดอย่างนี้ก็จบเลยออกเพราะฉะนั <c oughs> ้นผู้ใดที่มีศรัทธาเนี่ยนะในในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นธรรมะที่ไพเราะในท่ามกลางเป็นธรรมที่ไพเราะในที่สุดเป็นธรรมที่ประกาศ มักาศาสนพรหมจันท ร, ร์ประกาศ ม, ร, มรรคพรหมจันทร์ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะผู้ที่ศึกษาเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติตามนี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกดูสิเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามนี้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสก า, าคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระหันก็มีมากมายเราได้ดีแล้วที่ได้เลื่อมใสในแนวทางที่ถูกต้องได้ดีแล้วที่เราได้เลื่อมใสในหนทางที่นำไปสู่พระนิพพาน ก็อย่างบางคนเนี่ยนะมีความสุขมากที่ได้อ่านหนังอะไรนะอ่านนิยายประเภทฆ่ า, าได้ฟังวิธีฆ่าโดยประการต่างๆ่าไอ้พวกนี้ก็ยินดีในทางเพื่อไปสู่นรกนะโอ้วิธีนี้ก็ตกนรกได้ใช้ใบไม้ก็ฆ่าคนได้เป็นต้นว่ามองเห็นใบไม้ก็เปิดประตูนรกได้สำเร็จหมดเลยนะทัานพวกนี้บางคนเนี่ยดีใจที่ได้อ่านวิชาไว้ด้วยการล่วงอกอุศลกรรมบดนะ ได้ดีใจที่ได้อ่านอะไรนะอ่านหนังสือประเภทชักชวนทําตานาติบาตชักชวนทําอธินนาทานวิธีโกงวิธีทุจริตโดยประการต่างๆดีใจเหลือเกินที่ได้อ่านวิธีการล่วงการเมสุมิจฉาจารทำยังไงจะล่วงได้เยอะล่วงได้มากเป็นต้นบางคนก็ดีใจว่าวิธีตลบตะแรงตอแหลยังไงได้เก่งที่สุดกันนะก็มีความสุขแบบนั้นนนะก็อันนั้นคือยินดีในหนทางเพื่อไปสู่นรกนะ เขาไม่รู้อะนั่นคือแนวทางเพื่อไปสู่นรกบางคนก็ยินดีที่จะศึกษาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกุศลกรรมบทบางคนก็ยินดีที่จะศึกษาหนทางเพื่อให้ได้เกิดหิริโอต ป, ปะเพื่อไปสู่สุขติโลกสวรรค์บางคนก็ศึกษาหนทางเพื่อไปสู่พรหมโลกเช่นพรหมมิหารเป็นต้นบางคนก็ยินดีที่จะศึกษาทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อความดับทุกเนี่ยนะเพื่อความดับทุกข มันเขา้เขาเหล่านี้ที่เข้าใจได้มีศรัทธาเลื่อมใสในหนทางเพื่อความดับทุกข์แต่ละบทแต่ละบทนี้ทําเมื่อใดเนาที่มองว่าพุทธพจน์แต่ละบทเนี่ยนะเท่ากับเพชรเอากี่กระ ด, ดับดีแต่ละบทเนี่ยมองเป็นกระับกระดับเลยเอายี่สบห้าสิกรดับก็ได้เดี๋ยนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าทรัพย์เหล่านี้จะมีเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาของเราเองว่าเราจะเลือกเอาว่าควรจะมีค่าเท่าไหร่พุทธพจน์แต่ละบทที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ย เราให้ตีมูลค่าให้เท่าไหร่ดี <c oughs> ตีมูลค่าให้เท่าไหร่เขบอกว่าเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ถามว่าถ้าสมมติชาติสมมุติถ้าเราเป็นเดรฉานเนี่ยเราจะซื้อความเป็นมนุษย์เนี่ยเราควรจะใช้รัพย์เท่าไหร่ถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นเทวดาเนี่ยจะต้องใช้ซั์เท่าไหร่ย่งั้นเขาบอกว่าแค่ขี่ยานเนี่ยนะก็มีอยู่ช่วงหนึง่งกี่ยานเพื่อจะออกนอกโลกนะขี่กระสวยอวากาศอะไรก็เนี่ย 800ล้านเหรียญตอนนั้นนะ800ล้านเหรียญเศรษฐีชาวเมกันเนี่ยเตรียมจองไว้หลายคนแต่ตอนหลังได้ข่าวว่าอดไปแล้วอจองไว้ตั้งนานนะเป็นปีๆเนี่ยเพื่อจะได้ขี่ออกไปนอกโลกแล้วขี่กลับมาเนี่ย800ล้านเหรียญแทนเนี้ยก็มาว่าโอ้อะไรจะม่าอะไรจะขนาดนั้นทําชั่วทุกอย่างบางคนเนี่ยโกงสารพัดโกงเพื่อได้มีโอกาสนั่งออกไปข้างนอกแล้วกลับมาใหม่แทนเนี้ยยังการฉลาดอะไรมากขนาดนั้นเนาะ รัทถ้าเราได้มีศรัทธาเข้าใจได้แต่ละพุทธพจน์แต่ละบทที่หาค่าไม่ได้เขาบอกว่าพุทธพจน์ทุกๆกบททุกๆสูตรนี่ควรค่าแก่พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าประเสริฐกว่าทุกอย่างในบรรดาธรรมทุกชนิดนะธรรมที่เลิศเขาบอกว่าในบรรดาธรรมทั้งมวลพระนิพพานเลิศที่สุดคําสอนที่ประกาศคุณแห่งพระนิพพานเราควรจะตีราคาเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ มันแต่ละบบแต่ระบทที่พระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้เอามาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยบัญญัติทําให้ตื้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ทีนี้แต่ทําไมเรามองเห็นเหมือนกับสิ่งไร้ค่าหรือมีค่าเกินกว่าที่จะเอามาใช้เก็บไว้ในตู้อย่างดีไว้กราบอย่างเดียวก็พอมีค่าเกินกว่าที่จะอ่านดีจริงๆดีเกินกว่าที่จะคนจะเข้าใจได้อันนั้นก็เลยทงไปอีกอนะ ด, ดีจริงจริงอ่ะนะดีจนไม่กล้าอ่านอะไรแบบนั้น แล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้ให้จกักขูวิญญาณถ้ามันจะเกิดก็ขอให้เกิดมีเนี่ยอักษรเหล่านี้ที่เป็นพระธรรมเป็นอารมณ์เธอเนนะอ่านถ้าตัดต่อหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ามาอ่านเข้าตัดเข้าเล่มเนี่ยนะเพราะว่าพระไตรปิฎกเป็นสิบตู้แล้วมั้งเพราะวันวนหนึ่งนี่เข้าเล่มเนี่ยไม่ใช่น้อยหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ามาตัดเข้าเล่มด้วยที่เราอ่านอ่านเนี่ยนะเยอะมากเนี่ยนะมันเมื่อไรที่เรา อ่านพระพุทธพจน์เนี่ยให้ได้ปราบเพื่มดีใจให้มีโอกาสได้อ่านเพราะว่าต่อต่อไปเราจะไม่มีโอกาสได้อ่านแล้วต่อไปเชื่อพระไตรปิฎกเขาจะเลิกพิมพ์แล้วทําไมเขาเลิกพิมพ์คนไม่อ่านะนะก็ไม่รู้พิมพ์ขายให้ใคระนะก็มีใครอ่านเนี่ยคนอ่านก็ไม่รู้จะอ่านทําไมก็าบอกอ่านไม่เห็นรู้เรื่องเลยเหมือนก็นกเลยเชิญชวนชวนกันเลิกนี่ยพระพุทธศาสนาเลยเสื่อมจากใจเราเลยเนะเราก็เดินทางในวัตฏะโดยที่ปราศจาก บุญที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วถ้าคนที่สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาไว้ดีแล้วเนี่ยนะพบต่อต่อไปที่เขาเกิดเขาไม่ได้เดือดร้อนรอกแต่คนที่สั่งสมบุญไว้น้อยเนี่ยนะชีวิตในวัฏฏะต่อไปคุณจะไปอยู่สถานะอะไรจะอยู่ณนะที่ไหนเกิดเป็นเกิดเป็นใครถ้าไม่สั่งสมสัมมาทิฏฐิคือความรู้ที่เป็นมาตรฐานความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เ ป, Yin, เป็นความรู้ที่ไม่ใช่การคาดการเดาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากตักกะคาดคะเนเป็นต้นนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้เป็นความรู้ที่เป็นอมตะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็มาตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละมีพระคุณเช่นกับพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละถ้าเราศึกษาคาสอนจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ไว้ไม่ดีไปเจอองค์ใหม่คิดหรือว่าเราจะฟัง เราก็ไม่ฟังอีกตามเคยเนี่ยนะเพราคนที่ฟังทำเนี่ยกับคนไม่ฟังไหนมากกว่ากันเราจะอยู่ในคนส่วนมากหรือส่วนน้อยเพราะฉะถ้าเราไม่มีศรัทธานในยุคนี้เนี่ยนะเราก็ ต, ต่อต่อไปนี่ก็คงลําบากแล้วเนี่ยนะอย่างยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่าศาสนาเฟื่องฟูกระจายมาจัดสรรเป็นรูปเล่มเป็นฉบับพกพาฉบับอะไรที่เราสามารถไปที่ไหนก็หยิบเอาไปอ่านได้มันก็ให้มีเวลาที่จะได้อ่านให้ใจของเราเป็นไปกับ คำสอนแต่นี้เราไม่เห็นคุณค่าว่ากุศลที่เกิดโดยมีคําสอนเป็นอารมณ์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีคุณค่าเท่าไหร่เราไม่รู้คุณเราก็เลยไม่เจริญไม่ยอมให้ใจของเราได้ซ่องเสพพระคุณเหล่านี้ไม่ให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปกับพระธรรมเหล่านี้เพราะเราดูถูกบุญที่เกิดในใจของเราว่าบุญที่เกิดในใจของเราไม่มีคุณค่าอย่างนะ มันเวลาอ่านพระธรรมจริงๆอ่านก็พอรู้เรื่องนะก็อ่านสะกดถูกนั่นแหละเชื่อเอแต่ทีนี้ว่าแต่ทำไมเราให้ค่าราคาของศรัทธาตัวเองน้อยไปขนาดนั้นจนไม่ส่งเสริมเพราะเราประเมินกุศลจิตที่เกิดในใจตัวเองต่ำมากเมื่อประเมินกุศลจิตในใจของตัวเองตกต่ำขนาดนั้นก็ไม่ต้องการที่จะเจริญก็เลยปล่อยทิ้งปล่อยควงเท่ากับทิ้งอะไรทิ้งอริยทรัพย์ของตัวเองไม่ยอมบารุงรักษา ไม่ยอมเพิ่มเติมเสริมให้อริยทรัพย์นี้แก่กล้า ย, ยิ่งขึ้นไม่ยอมให้ศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาที่เป็นไปกับคุณของพระันตนะไัยเพิ่มภูนเมื่อไม่ยอมเพิ่มภูนก็เลยกลายเป็นคนยากจนนะยากจนในอริยวิไนนี้จนใจอ่ะนะเขาเรียกว่าจนใจจริงๆเคยได้ยินไหมภาษาไทยบอกจนใจจริงๆเหมือนกันเถอะจนใจก็คือไม่มีศรัทธานี่ลักษณะอย่างหนึ่งของคนจน จนทางจิตใจเนี่ยก็คือไม่เป็นคนไม่มีศรัทธาเรียกว่าจนทางใจจนที่ไม่มีศีลอยู่ในใจก็เรียกว่าคนจนจนจนจนไม่มีศีลในใจอ่ะมันจนขนาดนั้นนะนะจนจนแห้งแล้งจนไม่มีหิริโอตตปะอยู่ในจิตใจก็เรียกว่าคนจนใจแล้วก็คนจนสุตะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่มีการเรียนรู้ไม่มีข้อมูลไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนนี่ก็เรียกว่าจนจนสติจนจนที่จะได้รับข้อมูล เขาเรียนะว่ากันดานแห้งแรงเหลือเกินไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมพอามาได้ยินโยมคนหนึ่งเขาเขามานั่งฟังธรรมฟังเรื่องง่ายๆธรรมดาบอกผมเกิดมาอายุห้ากว่าแล้วเนี่ยผมเพิ่งฟังธรรมชั่วโมงเดียวหท่านั้นเกิดมาเนะีไม่ใช่แบบเพิ่งเกิดนะเกิดมา50สิปีแล้วรุ่นรุ่นพ่อขาต้องมาเนี่ยนะบอกว่าโหแเพิ่งฟังธรรมชั่วโมงเดียวที่เหลือไปฟังอะไรฟังเดรฉ า, านกระถามหมดนะฟังแต่หนทางเพื่อขวางสวรรค์กับขวางนิพพานเอาไว้ตลอดเลยนะ ก็ฟึ่งฟังทำไว้ชั่วโมงเดียวโอ้หมันน่าสงสารขนาดไหนของเราในชาตินี้ขอฟังกี่ชั่วโมงดีนี่ไงนะวังกว่าจะหูมันแตกไปข้างอนะอันนี้ก็ก็เลือกเอากันแล้วกันเนี่ยนะจะขออ่านพระธรรมกี่ครั้งดีเนี่ยนะเลือกเอากันแล้วกันเพราะถ้าหากว่าคนจนเนี่ยจนจนไม่ยอมที่ตัวเองเนี่ยจะไม่กล้าลืมตาที่จะอ่านพระธรรม ไม่กล้ามีหูที่จะเปิดเสียงพระธรรมปฏิเสธรียบปิดหูมันจนขนาดว่ารับไม่ได้อะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าจนสุตะใช่ไหมตอนนี้ก็จนจาระเนี่ยนะจนใจไม่กล้าบริจาคเป็นคนตนีทีเหนียวเก็บจนเน่าจนบูดเนี่ยนะเก็บจนต้องทิ้งตัวเองก็กินไม่ได้คว้างคนอื่นไม่ให้รับประทานอีต่างหากอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจนจาคะแล้วก็จนปัญญาด้วยเนี่ยอันนี้นี่จนมากที่สุดแล้วในบรรดาความยากจนทั้งหลายทั้งมวลก็คือจนปัญญา จนปัญญาจนไม่รู้ว่าตัวเองจะเจริญศรัทธาได้อย่างไรจนปัญญาจนไม่รู้ว่าจะเจริญศีลเจริญสุต ะ, จะเจริญจารค้าเจริญคุณธรรมอย่างอื่นได้อย่างไรจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันก็คือมหาจนและจนเท่าไหร่จนอย่างนี้บ่อยๆจะเหลืออะไรก็เหลือเป็นแมลงไปเกิดเป็นแมลงคือความยากจนเนี่ยนะจนทําให้เกิดเป็นแมลงเป็นหมูเป็นปลาเป็นกาเป็นไก่เป็นต้นก็ตกไปสู่อบายทุกคติวินิบาตนั่นคือความยากจนใน อริยทรัพย์เนี่ยนะจนในอริยทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ตกทุกข์ได้ยากทีนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าว่าเมื่อตามองเห็นพระธรรมหูได้ยินเสียงพระธรรมเนี่ยนะการได้ยินได้ฟังเหล่านี้จิตที่รับ ร, รู้รับทราบนี้คือทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่เราควรเพิ่มพูนเป็นทรัพย์ที่เราควรเพิ่มเติมเนี่ยนะเป็นควรที่จะขยายผลอยู่ตลอดเวลา ควรที่จะขยายให้มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นแล้วราคาของอริยศัพย์เหล่านี้ว่ามีคุณเท่าไหร่เนี่ยเราเอาแค่ไหนดีานะก็สมมติถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยพร้อมที่จะเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้อะมันราคาของกุศลธรรมเหล่านี้มีมากขนาดนี้ทำไมเราไม่เจริญอย่างนั้นเนี่ยนะทำไมเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าขนาดนั้นเขาบอกว่าอุยกุศลเกิดยากยากยมยากหรือ ง, ง่าย ก็ว่าพระองค์ตรัสว่าคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วได้ยากคนชั่วทําชั่วได้ง่ายทําดีได้ยากก็พื้นฐานเนี่ยนะมันบอกว่ากุศลทํายากยากบอกได้เลยว่าคนนั้นคือใครเนเพราะเข้าประกาศฐานะที่เป็นจริงของเขาเองมาแล้วว่าเขาไม่ใช่คนดีนะทีนี้ถามว่ากุศลทํายากหรือง่ายแท้จริงๆแล้วบอกผู้ที่มีศรัทธาเจริญกุศลไม่ยากที่มันยากก็เพราะไม่มีศรัทธาเนี่ยนะเพราะไม่มีศรัทธา พอไม่มีศรัทธาก็บอกว่าปล่อยให้อกุศลเกิดเนี่ยนะยินดีที่จะให้อกุศลเกิดจริงๆเนี่ยศรัทธาเป็นต้นเจริญไม่ยากพระพุทธคุณพระพุทธประวัติเป็นต้นว่าอ่านให้มันมากมากสิใจก็จะไม่จนศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเราก็ไม่จนศรัทธาที่มีต่อพระธรรมศึกษาเถราคาถาเถรีคาถาเป็นต้นเราก็จะไม่จนใจในความเลื่อมใสในพระสงค์ทั้งหลาย เราก็เอามาเจริญพรหมวิหารมากๆเข้าเราก็ไม่จนใจในทางเพื่อไปสู่พรหมโลกปัญหาที่เรายากจนแห้งแล้งกันดานในหัวใจก็เพราะว่าเราไม่คิดว่าจิตที่เป็นเป็นไปกับคำสอนเหล่านี้มีสาระเราหันไปเจริญอย่างอื่นไปเพิ่มพูนแต่มหาพูดไปเพิ่มพูนห้องน้ำเชื่อหมโอ้ยวิธีอ่านสูตรเพื่อปรุงอาหารเนี่ยอุย้ยสนใจอ่านเอาจริงเอาจังเลยนะันก็บอกว่าอันนั้นเรียกว่าเพิ่มพูนห้องน้า ปรุงยังไงจะได้อร่อยที่สุดหอมที่สุดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมบางทีก็ปรุงแต่งเนี่ยกายที่เปือยเน่าเนี่ยแล้วคิดแต่เรื่องผ้านั่นแหะก็ปรุงแต่ว่าที่นอนที่ซึ่งปกติมันก็ตัวเท่ากับที่ที่นอนมันก็จะใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าไปคิดถึงเพิ่มพูนแต่มหาภูต ร, รูปไม่คิดจะเพิ่มพูนกุศลในร่างกายของเราเนี่ยนะส่วนไหนที่มันมีสาระที่สุดเนี่ยมั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมีสาระที่สุดนะ ที่ควรแก่การรักษาที่แท้จริงตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจก็มีสี่ชาติากุศลอกุศลวิบากกิริยาชาติไหนชาติอกุศลควรให้ค่าใช่ไหมควรส่งเสริมโลภะใช่ไหมใจที่เป็นไปกับโลภะโทสะหรือโมหะใจที่เป็นไปกับทานศีลหรือภาวนาเนี่ยนะเราก็ดูว่าเราจะเจริญใจชนิดใดใจชนิดใดที่ควรรักษาใจที่มีคุณค่าและสาระ มันใจที่เป็นไปกับกุศลใจอันนั้นแหละสมบัติแท้ๆที่จะเกื้อกูลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขให้แก่ตัวเราต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราเห็นใจแหมเห็นใจต่อความโลภเหลือเกินเห็นใจต่อความโกรธเหลือเกินเห็นใจต่อความโง่เขลาเหลือเกินแต่ไปเห็นแต่ใจชนิดนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรจะต้องเห็นใจที่มีศรัทธาเหลือเกินว่าทํายังไงจะเพิ่มพูนศรัทธาตัวนั้นได้ เห็นใจต่อใจที่มีปัญญาประกอบแล้วเกินต้องเพิ่มภูนใจที่มีปัญญาให้ได้เนี่ยนะนี่ใจที่จะมีศรัทธามีปัญญาได้ก็ต้องเป็นใจที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บางคนก็บอกนั่นปริยัตทั้งนั้นเนี่ยนะโอ๊ยทำไมมันเป็นอยังไงนนะพวกขัดขวางความเจริญทั้งหลายนี่ก็จะชอบพูดอะไรก็ได้ที่มันขวางสวรรค์ขวางนิพพานเพราะมาว่าคําพูดที่พูดของบางคนที่ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะคำพูดอะไรนั้นมันจ่ายแพงจริงๆ จ่ายถึงขนาดแบบทังเกตุ ด, ดูพระโพ ธ, ธิศัตว์เห็นไหมไปจ่ายให้กับอะไรบ้างก็ไปด่าพระสิไปด่าพระประเจกคำนั้นให้ผลเป็นยังไงทีนี้อย่างบางคนก็าบอก อ, อย่าไปอ่านเลยพระไตรปิฎกอ่านเน้ยากคนนั้นแหละจะไม่มีโอกาสให้อ่านพระไตรปิฎกเพราะปิดตัวเองเสร็จจึงห้ามผู้อื่นได้เพราะห้ามตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ เพามาว่าอ่านหนังสือบางอย่างนะั้นมันอ่านยากทำไมก็ทนอ่านกันได้เนี่ยนะลงทุนลงแรงเรียนบินข้ามน้ําข้ามอะไรไปเรียนเพื่อจะไปเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเ <"K> ขาเรียนได้เนี่ยนะก็ไม่เห็นว่ามันง่ายอะไรเรียนแล้วก็ทิ้งทิว้างเอากระดาษมาใบเดียวไปที่ไหนก็โชว์แต่กระดาษใบเดียวนั่นแหละไม่รู้ดียังไงก็ทุ่มเทกันเอาเป็นเอาตายที่พระธรรมของพระพุทธเจ้าบอกยากยากคนยากจริงๆเนี่ยนะก็เชื่อแล้วล่ะมันยากยาก ขอให้ห่างไปเป็นประโยชน์พันโยต์แต่คนประเภทนี้มีหน้าละตอนหลังเพื่อนเรไม่ค่อยมีแล้วไม่คยไคยได้คุยกับใครเท่าไหร่แล้ะคุยมากคุยนี่แหละในห้องนี้แหละหนักหนักก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วของใครก็ของใครแล้วเสียดายชาติเกิดชาตินี้นะชาติหน้าค่อยว่าอีกี่วันนั้นชาตินี้เสียดายชาติเกิดแล้วอยากให้ใจมันเป็นไปกับคําสอนให้มากเท่าที่จะทําได้ ทางใครก็ทางใครแล้วบอกงั้นบอกว่าทางพ่อก็ทางของพ่อนะพ่อเลือกเดินทางไหนก็เลือแต่พ่อเธออย่าว่าโยมเลยพ่อของมายังคิดอย่างนี้เลยมั้งพ่อจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่พ่อเธอแม่จะเลือกทางไหนก็แล้วแต่แม่ญาติจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่ญาติเธอของวัดไหนครัวจันวัดไหนท่านจะเลือกทางไหนก็ทางเธอคอยท่านไปตามที่ใจท่านชอบกันแล้วกันครัพระเจ้าก็จะเอาอย่างที่กับพระเจ้าชอบนี่แหละบอกงั้นนะ ก็ทางใครก็ทางใครจริงๆไงปากท้องของใครก็ของใครอ่ะแล้วใจใครก็ใจใครสิมันก็บอกว่าอย่าวังเลยของมาจะเที่ยวตามรักษาใจคนอื่นเนี่ยยากมาเอาใจเดียวใจตัวเองเอาใจตัวเองใจประเภทไหนล่ะก็ต้องเป็นใจที่เป็นไปกับศรัทธานะใจที่เป็นไปกับศรัทธาของพระพุทธเจ้านะใจที่เป็นไปกับศีลใจที่เป็นไปกับสุตจากขปัญญาก็จะขอะเอาใจประเภทนี้นะใจที่เป็นความโลภนะจะฟื้นบ้างก็ยอมเหมือนกัน ใจที่เป็นความโกรธนะมันยังโกรธอยู่ก็บอกแกเร็วมากอันนั้นก็ยังแช่งว่าแกเร็วมากแกมาเกิดในใจฉันได้ยังไงเนี่ยอย่านัก็ความโลภเกิดมาบอกเรวมากเองนะนะมาณมันเกิดบอกแกก็เร็วอีกนั่นแหละอันนก็เอาใจเดียวใจที่เป็นไปกับพระรัตนะตรายอันนั้นเป็นสมบัติของเราใช่ไหมถ้าใจมานะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชาติหน้าตระกูลต่ำแน่อันนชาติหน้าเดือดร้อนแน่ถ้าใจเป็นไปกับความโกรธชาติหน้าผิวไม่งามแน่ถ้าเป็นไปกับความโลภชาติหน้าจนแน่ยังไงนะก็ ถ้าใจที่เป็นไปกับโมหะชาติหน้าโง่แน่ไงนะแล้วชาติอใจที่เป็นไปกับทูตศีลบอกชาติหน้าตกนรกแน่ตัวนั้นใจประเภทนั้นไปให้ห่างๆเถอะเนี่ยนะทำบุญก็ปรังความปรารถนาขอให้เนี่ยให้เห็นโทษของบาปของอกุศลนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นไปกับกุศลเนี่ยไม่มีขุมทรัพย์ใดที่จะใหญ่เท่ากับคําสอนอีกแล้ววันคําสอนนี่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าปลูกฝังศรัทธา เป็นต้นที่มีต่อคําสอนเหล่านี้เราจะได้อริยทรัพย์ไปเท่าไหรหนอเนี่ยนะหรือเราเป็นศัตรูของตัวเองมาเกิดสาบแช่งถ้าไปเจอทางแห่งความดีนะัอย่าเอานะอะไรที่เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญ อ, อย่าเอาเลยนะเอาแต่ทางแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรกเอาประเภททางที่ให้โลภมากมากโกรธเยอะๆอะไรเงี้ยนะเอาอย่างนั้นหรือสาบมาตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมเออเราก็ไม่ได้สาบตัวเองเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่รัก ต่อความสุขเกลียดชังต่อความทุกข์มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหนทางแห่งความสุขทําไมเราจึงปิดตาไม่ยอมอ่านล่ะทำไมจึงปิดหูไม่ยอมฟังหรือว่าเราเป็นคู่เวรกันแท้ๆเลยนะมาดูกันกันแล้วกันนะทำไมให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยหรื อ, อนะถ้าหากว่ามันตั้งจิตไว้ผิดก็ให้อภัยตัวเองบ้างเถอะเนี่ยอย่าไปตั้งว่าขอโกรธตลอดไปยังไงนะมันดีตรงไหน แล้วก็ให้ดีใจในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วให้ให้ปลื้มใจในคําสอนเหล่านี้ดีใจเหลือเกินมองเห็นพุพธทธพจน์แต่ละบทแต่ละบทเนี่ยคู่ควรแก่อมตะ น, นี่คือทางแห่งความเขาบอกว่าในบรรดาผู้ที่มีทรัพย์ใครจะน่ามีทรัพย์แล้วน่าปลื้มใจเท่ากับพระอริยาสาวกเราเพราะท่านมีทรัพย์ถึงขนาดว่าเลือกท้องแม่ได้อะเลือกที่จะเกิดกับแม่ชนิดใดก็ได้ แต่ว่าแน่นอนท่านไม่ขอเลือกเกิดกับแม่ทูศีลอยู่แล้วล่ะนะท่านสามารถเลือกเกิดในตระกูลดีได้เลือกเกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ในหกชั้นเนี่ยในแม้กระทั่งท่านเลือกพรหมโลกก็เลือกสําเร็จเพราะท่านมีศรัทธาเขาบอกว่าคําพูดที่บอกคนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกอันนี้คือคนไม่มีศรัทธาคนไม่มีทรัพย์บอกคนเร า, <ส><บ> เ, ราเราเนี่ยมันเลือกที่อยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าคนนั้นไม่มีทรัพย์ก็เลยเลือกที่อยู่ไม่ได้ฉันใด คนที่ไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นก็เลือกภพภูมิที่เกิดก็ไม่ได้เนี่ยนะเราก็มาเจริญศรัทธาที่นี้ตอนนี้เนี่ยนะเราถ้าพูดแบบหนึ่งก็เราลูกมีพ่อมีแม่ใช่ไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่เป็นต้นเมื่อเรามีพ่อมีแม่อย่างนี้ทําไมไม่ให้ใจเราเป็นไปกับพระัตนะตรัยเนี่ยนะท่านยังไงท่านก็สอนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่เราอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็ยังว่าสมัยพุทธกาลเขาจะบรรลุเท่าไหร่ก็เรื่องของท่านใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ตามเดิมของเราพระองค์บอกว่าประโยชน์ผู้อื่นถึงมีแม้มากก็ไม่ได้ทําให้เราสําเร็จประโยชน์อะไรหรอกนะชั้นใดก็ดีอย่างหลายๆท่านเขามีฐานะมั่งมีจนนาทีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนหนึ่งต่อนาทีอย่างนี้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราอะเราก็เป็นคนงานวันยังค่ํานั่นเลยสรุปว่าประโยชน์ของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นทําไมเราไม่สแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองให้ใจเป็นไปกับ คำสอนอย่าไปตั้งข้อแม้กติกาเงื่อนไขจนไม่ต้องอ่านเนี่ยนะกะติกาทําไมมันตั้งไว้จนไม่ได้อ่านจนไม่ได้ฟังจนไม่ได้ศึกษาจนไม่ต้องคิดพระธรรมมันมีเรื่องหนักอกหนั ก, นกใจจนไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมันอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเนาะอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นระวังนะชาติหน้าแล้วมาร ะ, ะลึกดูว่าอะไรมีสาระที่แท้จริงเนี่ยน ะ, ละหลายๆคนนี่เขามาพยายามเตือนบอกชาติหน้าเรคุณลองร ะ, ะลึกถึงชาตินี้ดูสิอันเ เขามีหลายคนเขาบอกแหมอยากให้สมัยเ ด, เด็กมีความรู้เท่าวันนี้เหลือเกินก็ว่ากงั้นนะทําไมทําไมจึงคิดแบบนั้นอยากให้สมัยเด็กๆมีความรู้เท่าวันนี้เหลือเกินเพราะว่าถ้าสมัยเด็กๆ เ, เป็นต้นมามีความรู้เท่าวันนี้นะชีวิตกว่านี้จะดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นแน่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีความรู้ทีนี้เราก็มาคิดดูถ้าเราอีกยี่สิบสาสิปีหรือชาติหน้าต่อไปเนี่ยนะ เราก็มาระลึลกดูนะถ้าเรามีความรู้เท่าวันข้างหน้าทั้งหมดเลยนะวันนี้เราควรทำอะไรนะวันนี้เราควรทำอะไรทำไมเราจะต้องสร้างตราบาปให้กับตัวเองขนาดนั้นเนี่ยนเะขามาก็คนอื่นไม่รู้นะเนี่ยมานั่งนับดูนิ้วตัวเองแล้วแผลเป็นร้อยกว่าแหงนี่นะก็แสดงว่านั่นไม่ใช่ตราบุญ น, นะตราบาปเหมือนะนะอย่าทำบาปเลยเนะอะยอง ก็มาดีใจกับพร ะ, พระอะไรนะพระอุปเสนใช่ไหมท่านท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ท่านได้เลื่อมใสในพระธรรมวินยัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว น, นะเป็นธรรมวินัยที่ส่งไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามที่พร่ำสอนไม่ให้ตกไปสู่สังสารทุกข์เนี่ยนะไม่ต้องตกไปสู่ขันธาตุอายตนะที่เลวขันทธาตุอายตนะที่เป็น นรกเปรตอสุรกายและเดราชานเป็นธรรมวินัยที่เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมวินัยที่กำจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์และก็ข้อดีใจของพระอุปเสสว่าพรหมจารีโนก็คือท่านได้เพื่อนพรหมจรรย์ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมคื อ, อาคาว่าพรหมจรีก็คือเพราะประพฤติสม่เสมอในศาสนาศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะ คำว่าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยศาสนาคือพรหมตัวนั้นแปลผิดนะ <c oughs> พรหมจรรย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคมพรหมจรรย์ <c oughs> สระพรหมจารีตรงนี้นเนี่ยนะนะนะไม่หรอกเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์คำถูกนะศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคมพรหมจรรย์ พรมตัวนั้นเนี่ยมาจากศาสนาพรมกับมัคคพรมอ่ะนะพรมนี่แปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐศาสนาพรมอาจารย์เป็นชื่อของอะไรศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของศาสนาพรมอาจารย์ส่วนอริยมรรคพรมอาจารย์แหะก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันศาสนาพรมอาจารย์เป็นไปเพื่อมัคคพรมอาจารย์พันผู้ที่เป็นสัพพรมจารีคือผู้ที่ประพฤติใน าศาสนาพรหมจรรย์และประพฤติอยู่ในมรรคพรหมจรรย์ผู้ที่ปฏิบัติในาศาสนาพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์นั้นศีลวันโตเป็นผู้มีศีลอยู่ในมรรคในผลกาลยาณธรรมโมคือเป็นผู้มีทำงามมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์มีหิริโอตปะมีศรัทธาวิริยะมี ศีลวิสุธทธิจิตวิสุธทธิมีสุดจริตสามมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนะนะท่านเหล่านี้มีกัลยาณธรรมมีธรรมะที่เป็นคุณงามความดีะฉนั้นคนํานี้พระอุปเส ศ, ศวังคันตบุตรไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคำนี้เป็นคําที่พระอุปเส ศ, ศท่านคิดว่าแสดงถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ด้วยคําว่าสีเลสุจําหิปริปูริการีบอกว่าเราคือพระอุปเส ศ, ศเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยบวชแลว้ว บวชแล้วก็ไม่ได้กล่าวเดรฉ า, านคาถาเป็นผู้มากไปด้วยความเพียรอันมั่นคงโดยแท้เรานี้บําเพ็ญศีลทั้ง4ี่คือจตุ ป, ปาริสุทธิศีลสีประการมีปาติโมขสังวลอินรียสังวลปัจยาสานิสิตศีลอาชีวปาริสุทธิศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลอันวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลที่ตันหาและทิฐิ จับต้องไม่ได้ศีลเหล่านี้ให้บรรลุอริยมรรคเท่านั้นท่านดีใจะนะที่ท่านเป็นผู้มีศีลวันด้วยคํานีพา้พระอุปเสสแสดงถึงความเพียบพร้อมไปด้วยอริยมรรคเบื้องต่ำนะอริยมรรคเบื้องต่ําของพระอุปเสสคืออะไรโสดาปฏิมรคโสดาปฏิพลสกธาคามิมรคสุสกทาคามิพล เพราะอะไรเพราะพระโสดาบันและพระสกะทาคามีเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในเศนเนี่ยนะว่าท่านเป็นผู้มีศีลสิ่งเหล่านี้นะเป็นคําอธิบายของพระอุปเสสน์อยู่นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าอุปเสสนม์มานั่งคิดเอาคนเดียวใช่ไหมแต่เป็นความคิดที่พระพุทธเจ้าอนุโมทน า, านะเพราะความคิดอันนี้พระพุทธพจน์รองรับว่างั้นเถอะ บทว่าสุสมาฮิโตจัมฮิเอกะคโตเอกะคจิตโตความว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิพระอุปเสนมีอุปจารสมาธิอัปนนาสมาธิเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านแม้โดยประการทั้งปวงอันนี้ประกาศถึงว่าพระอุปเสนเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิแสดงถึงความเพียบพร้อมด้วยอริยผลที่สคืออนาคามีผลของพระอุปเสน จึงอยู่พระอนาคามีเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสมาธิอรหาจำหิขีนาสวะพระอุปเสนบอกว่าเราชื่อว่าเป็นพระขีนาศเพราะอาสวะมีกามาสวะเป็นต้นสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นนั่นแหละเราจึงเป็นผู้ชื่อว่าสิ้นกิเลสเครื่องพยงสัตว์เอาไว้ในภพและชื่อว่า เราเนี่ยเป็นผ้าหันเพราะเป็นทักขิณายบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงความที่พระอุปเสนเนี่ยทำกิจสิบกในอริยสัจสำเร็จแล้วมหิติโกจามิมหานุภาโวพระอุปเสนท่านบอกว่าเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากเพราะอะไรเพราะประกอบไปด้วยความเป็นผู้มีความชํานาญมากในฤทธิ์มีการอธิษฐาน อันนะอธิฐานนริ์แล้วว่าวิกุปภนาริตคือริทที่ทําให้เป็นต่างๆได้เรานี้เป็นผู้มีอนุภาพมากเพราะเพียบพร้อมด้วยบุญญาอนุภาพและคุณานุภาพคุณคือศีลเป็นต้นอันโอฬารคือยิ่งใหญ่พระอุปเสส์แสดงถึงการประกอบด้วยโลกิยะอภิญญาและพระอุปเสณนั้นมีอนุปปภวิหารสมาบัติ9จริงอยู่พระสาวกชื่อว่าอริยะเพราะเป็นผู้ชํานาญในอภิญญาทั้งหลาย พระอริยาสาวกนี้ชื่อว่ามีฤทธิ์มากเพราะยังสิ่งตามที่ตนปรารถนาให้สำเร็จพระอริยาสาวกชื่อว่ามีอนุภาพมากเพราะชำระสันดานให้หมดจดด้วยอุปนิสัยในปางกรคืออุปนิสัยที่ท่านสั่งสมมาเป็นอย่างดีและด้วยวิหารสมาบัติต่างๆบทว่าพัทธกังเมชีวิตังพัทธกังเมชีวิตังนี่มาจากคำว่าชีวิตของเรานี่เจริญแล้วโอเรานี่ เราก็เจริญจริงๆนไประสบความเจริญว่ากายของเราผู้ประกอบด้วยศีลอย่างนี้เป็นต้นนะกายประกอบด้วยศีลจิตประกอบด้วยสมถาวิปัสนาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยยังทรงอยู่เพียงใดประโยชน์สุขนั่นแหลก็ยังเจริญอยู่แก่หมู่สัตว์เพียงนั้นถึงชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่เจริญเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เป็นนาบุญของโลกท่านบอกว่าท่านคือนาบุญ เขาบอกว่าบรรดาผู้ที่ที่ตั้งแห่งบุญที่สูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโกพรมโลกในหมู่สตัตว์เนี่ยใครเป็น เ, เป็นนาบุญที่สูงที่สุดจริงๆใครใครพระพุทธเจ้ า, จาอ่นะก็เท่าแบบเป็นอะไรนะสุดยอดของนาบุญที่สูงสุดแล้วลูกของพระพุทธเจ้านี่จะเป็นนาบุญขนาดไหนรองเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุตรของพระพุทธเจ้าโอรสของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ย ท่านเหล่านั้นเป็นบุญยเขตเป็นนาบุญเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้รับทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้าผู้ใด้วานพืชลงในนาบุญคือพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยนะประสบบุญมากมายอันเวลาเราสู่ปฏิปันโนเป็นต้นเนี่ยให้ดีใจเถต่ว่าเราได้กราบไหว้อรสของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะเป็นที่หลังแห่งบุญพระสาวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากนะเคได้ยินไหม ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะคือผู้มีทรัพย์มากเพราะความในจูลนิเทศนั้นบอกว่าพระองค์ผู้เป็นสักกะมีทรัพย์มากคือมีทรัพย์คือที่จริงโลกิยาทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี่มากที่สุดเลโลกิยาทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในมนุษย์อย่างเดียวในในนาคก็เยอะทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่อยู่นาคมนุษย์เทวดาแล้วก็อยู่ที่พรหมโลกเนี่ยนะทรัพย์ของพระองค์ที่เป็นโลกิยาทรัพย์เนี่ยมีอยู่กระจายทั่วโลกเนี่ยนะ ทั้งสามโลกด้วยกายเปโลกรูกปป็นโลกและอรูณ ป, ป็นโลกพระ อ, องค์มีทรัพย์ขนาดนั้นอันนี้ทรัพย์ที่เป็นโลกิยะมหาพูดนะส่วนทรัพย์ที่เป็นกุศลธรรมอะสัทธาหีริโอตปะสุตะจาคา้าปัญญาแล้วพระองค์ยังมีทรัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงอริยมัติมีองค์แปดมีทรัพย์คืออริยผลมีทรัพย์คือพระนิพพานเป็นต้นพระ อ, องค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์อย่างหาที่เปรียบนี้ได้ ชนเหล่าใดที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีทรัพย์มากรับใช้เรียกว่ารับใช้มหาจักรพรรดินี่รายได้เท่าไหร่ดีนะควรจะได้รายได้เท่าไหร่ก็รายได้มากเลยใช่ไหมเดินเชียวๆนี่ท่านก็ให้เราตั้งเยอะแล้วว่างนั้นเน่ยนะเพราะท่านมีทรัพย์มากมายนะท่านไม่ตนีหรอกเอาแค่เอาขนไปเท่าไหร่เอาไปเลยอย่างนั้นแล้วถ้าบำรุงพระทั้งสองสาวกของพระพุทธเจ้าควรจะได้ทรัพย์เท่าไหร่เพราะท่านผู้แบ่งมรดกจากพระพุทธเจ้าอย่าง มากมายชั้นใดผู้ใดมีศรัทธาในพระตัตนตรัยนั้นอะ่ะจึงบอกว่าแหมพัตกังเมชีวิตตั้งวงนั้นนะตัวชีวิตของพระสาวกก็ดีมากแล้วขณะเดียวกันพระสาวกก็เป็นแหล่งนาบุญของหมู่สัตวหาประมาณไม่ได้แต่คําว่าพัตกังมรณังะบอกว่าความตายของเราเป็นความเจริญนี่เป็นยังไงพัตกังมรณะเนี่ยตายและเจริญแน่เหมือนนพระอุปเสสน์แสดงความเป็นผู้คงที่ของท่าน ว่าถ้าขันห้านี้จะดับในวันนี้หรือจะแตกทำลายในขณะนี้เหมือนไฟหมดเชื้อฉะนั้นก็ต้องคิดง่ายๆว่าถ้าคนผ่าตัดมะเร็งออกจากตัวนี้ถามว่าน่าดีใจหรือเสียใจนะตัดออกวันนี้ได้ก็ยิ่งดีใจออกวันไหนได้ก็ดีใจหมดนะนะันใดก็ดีท่านก็เหมือนกันถ้าท่านจะตายปริณิพานที่หาปฏิสนธิไม่ได้ไม่ต้องไปเสนอตัวใน ต้องเสนอตัวในภพสามกำเนิดสี่คติห้าไม่ต้องแล้วว่างนเพราะฉะนั้นจัดเป็นความดีนะเพราะว่าเลิกปรากฏตัวในวัฏฏะสักทีหนึ่งหรือเสียดายของเหงาแย่สินะเพราะฉะนั้นพระมหาเถระคือพระอุปเสนเนี่ยตรึกถึงความที่ตนมีโสมนัตอย่างโอาูารนั่งยิ้มอย่างมีความสุขดีใจมากใครเคยดีใจอะไรขนาดนี้ัหย ดีใจในสิ่งที่ไม่มีโทษนะถ้าดีใจบางคนดีใจที่ได้เครื่องประดับได้ข้าวของเครื่องใช้นะดีใจตอนแรกแล้วก็เสียใจในตอนหลังที่เขาบอกว่าเขาได้เครื่องเพชรมาอันหนึ่งเขาดีใจดูแล้วดูอีกเสร็แล้วเก็บตรงไหนดีนะพอหลังจากปลื้มใจแล้วก็ทุกแล้วเก็บไหนดีวเนี่ยเอาไปไว่าตรงไหนดีเดี๋ยวคนอื่นก็จะรู้เนี่ยแล้วก็เดือดร้อนหลังจากนั้นนะตอนแรกดีใจเจิงแต่ตอนหลังก็ เดร้อนแต่ถามว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเหล่านี้นะดีใจในตอนแรกแล้วก็ไม่ต้องลำบากใจว่าใครจะปล้นไปน้ําก็ทําอะไรไม่ได้น้ําน้ําก็ไม่ทําให้เสียหายแผ่นดินไหวก็ทําให้ทําลายไม่ได้อะนะไฟก็ไม่ไหม้น้ําก็ไม่ท่วมลมก็พัดไปไม่ได้โจรก็ปล้นไปไม่ได้ใครจะคมาขมขู่ขุดขุดรีดเรียกค่าถ่ายก็เอาไปไม่ได้อริยสัพย์เหล่านี้เป็นสมบัติของตนที่ใช้ในภพนี้และภพหน้า อริยทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่นั่งวันหลังยิ้มแล้วก็ปลื้มใจได้เนี่ยนะระท่านก็บอกโอ้ท่านนึกถึงคุณธรรมของท่านเองนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยท่านก็เลยเกิดปีติโสมนัสอย่างมากด้วยความนับถือมากในธรรมและก็ปีติโสมนัสที่เกิดจากกุศลธรรมเพราะตอนอยังละความหนาแ น, น่นไปด้วยความยิ่งยโสในโสมนัสไม่ได้ จริงๆนะ่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะแปลมีปัญหานิดหน่อยไม่ใช่ว่าท่านมีมานะอะไรนะแต่ท่านมีศรัทธาที่ปีติและปราโมทอันนะั้นเย่อหยิ่งอนะันนัเย่อหยิ่งตัวนั้นเนี่ยแปลฟังแล้วเหมือนกับคนมีกิเลสใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องคุณธรรมของพระอรหันต์อยู่อย่าไปว่าพระอรหันต์เย่อหยิ่งอีกไม่ใช่นะก็อาจจะมาจากคําว่าสํานวนนิดหน่อยนะมีมีสํานวนการแปลที่มีปัญหานิดหน่อย เชิญตอนอาจจะเป็นความภูมิใจลักษณะอย่างที่โยอมมากก็ได้นะแต่นี้ความที่เขาหมายเงเขไม่ได้เรียนบาลีมาพอเป็นเรื่องเป็นราวนอะไรแต่รู้ว่ามันขัดกับเนื้อหาที่ที่เป็นพระธรรมพระ้าอาหารเนี่ยไม่มีมานะแต่ว่าท่านก็ภูมิอกภูมิใจได้ดีที่ท่านมีมีลาภเพราะว่าเป็นชีวิตที่ได้ดีดีใจนึงขนณะว่าชีวิตเราได้ดีแล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่จเจริญความตายของเราก็เป็นความตายที่จเจริญน่นนะ พระศาสดาประทับนั่งในพระคันทกุตีนั่นแลทราบเรื่องนั้นนะเรื่องความรู้สึกนึกคิดของพระอุปเสนวังคันตบุตรด้วยสัพพัญยุตยานเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นนะประกาศความเป็นคู่คงที่ของพระอุปเสนว่าถ้าท่านมีชีวิตท่านก็จเจริญท่านตายท่านก็จเจริญดีใจเท่ากันนะดีใจตายกับเป็นเนี่ยท่านดีใจเท่ากันของเรานี่ดีใจต่อไหนมากกว่า ข้อนะถ้าถ้าถามถามจริงบอกถ้าตายเสียใจไหมบอกบอ ก, บอก็ยังเสียใจอยู่แมทําไมอะ่ะบอกน่าจะขนเอาบุญไปมากกว่า น, นี้ยังขนอริยทรัพย์ไปไม่พอเนี่ยนะยังแมทในน้อยเหลือเกินอะไรนะี่ยังไม่จุใจนะทําให้ศรัทธาให้มันเท่าที่จะทําได้นี่แหละขนไปเท่าที่เราจะขนได้นะขนไปด้วยอะไรบอกด้วยใจเหมือนกันบทว่ายังชีวิตตังนะตปติความว่า ชีวิตย่อมทําบุคคลผู้เป็นพระขี่นาศบไม่ให้เดือดร้อนมีอะไรทําให้พระทหารลำบากใจบ้างมีไหมไม่ ม, มีเพราะไม่ให้ลําบากเพราะความเกิดขึ้นแห่งขันต่อไปไม่มีโดยประการทั้งปวงมันชีวิตของท่านเป็นชีวิตสุดท้ายและไม่ต้องรับภาระคือกองทุกใหม่ต่อไปอีกอย่างหนึ่งชีวิตที่เป็นปัจจุบันนั่นแลย่อมไม่เบียดเบียนชีวิตขณะปัจจุบันของท่านดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะในที่ทุกสถานเพราะเหตุที่ ผ่าอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเพราะชีวิตนั้นเป็นสังฆะธรรมโดยประการทั้งปวงจริงอยู่อันท่าปุตชนคนบอดเค่าทั้งหลายผู้คบหาแต่คนชั่วมากไปด้วยอโยนิสมนสัสการไม่พัมเพญบุญไม่บำเพนกุศลย่อมเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเป็นต้นว่าณก่อนตายนี่เห็นชัดใช่ไหมว่าเราไม่ได้ทำกรรมดีไว้หนอเหตุนั้นชีวิตของเรา ชีวิตของเขาจึงชื่อว่าเขาทําให้เดือดร้อนตัวเองทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนที่ไม่ทําบุญเนี่ยนะเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยนะจริงอยู่เขาไม่เดือดร้อนเนี่ยวิธีเกลี้ยกล่อมไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ยอยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยแอลกอฮอล์ในสายเลือดเมาเปร๊กรมตาจะลืมไม่ขึ้นนั่นแหละนั่นแหละดูเหมือนก็ว่าตัวเองมีความสุขก็คือหลอกตัวเองโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเชื่อถามลุงเรืองดูคะมีพยานอยู่คนเดียวนี่ย เ, เอาไว้ประทับตราให้หน่อยอนะเพรชีวิตของผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยเป็นชีวิตที่เดือดร้อนมากเลยเนี่ฝ่ายบุคคลนอกนี้คือใครพระเสขะเป็นต้นนะผู้ไม่ทําบาปทําแต่บุญหรือพระเสขะเจ็ดจำพวกกับกาลยาณปุุชนไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะเว้นจากธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนก็อย่างที่วิทูลบัณฑิต ท, ท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะกลัวตายไปทําไมข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปเอาไว้ ชีวิตของข้าพเจ้าทําแต่บุญเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปทําแต่บุญเนี่ยข้าพเจ้าจะไปเสียใจทําไมจะกลัวตายไปทําไมแต่นี่ไอคนบางคนเนี่ยนะแม้พอฟังคํานี้เออนี่คมไว้เอาใช้บ้างทําบาปมาบานเลยเราจะบอกว่าข้าพเจ้าจะเสียใจทำไมข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปว่าอย่างเง้ยนะที่ไหนได้ตัวเองทําบาปมาบานบอกไม่เสียใจเนี่ยนะ น, นี่นยนะขี้มโมง่งจริงเลยเนาะเ <c oughs> พราะชีวิตของผู้ที่มีกุศลธรรมก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อน มันชีวิตของเขาเหล่านั้นจึงไม่เดือดร้อนส่วนท้ารหารเนี่ยไม่จำต้องพูดเลยเพราะาท่านยังมีแต่ความเป็นไปแห่งสังขารทุกข์เป็นเหมือนกับตายอดด้วนะนะเป็นเป็นเหมือนกับสังข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วแค่นั้นเองมรณนเตโซจติ mm. ในที่สุดคือในที่สุดรอบกล่าวคือมรณะหรือในเวลาใกล้ตายเขายอมไม่เศร้าโศกเพราะถอนความโศกขึ้นได้ด้วย อนาคาหมีมกักผ้านาคามีก็ไม่เสียใจรวามตายบทว่าสเวทิทธะทิฐธะปะโทโทีโรโซโกมัชเชนโสจฌติความว่าเขาชื่อว่าเห็นบทเพราะเห็นบทธรรมสี่มีอาณาพิชชาเป็นต้นหรือเห็นบทธรรมคือ น, นิพพานท่านนั้นชื่อว่าเป็นนักปราดเพราะเป็นพระขีนาศพียบพร้อมด้วยปัญญา แม้ตั้งอยู่ในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้ยังไม่ปราศจากราคะอันไในนามวโสกะเพราะมีโสกธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมดาคือพระอรหันต์นี่อยู่ในท่ามกลางเหล่าสัตว์ผู้มีราคะแต่ท่านก็ไม่มีราคะอยู่ในท่ามกลางสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกท่านก็ไม่มีความเศร้าโศกหรืออยู่ในท่ามกลางโลกธรรม ท, ที่เป็นเหตุแห่งความโศกท่านก็ไม่มีความโศกเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ดับความโศกในหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วย ความโศกเอ๊ะใครที่ได้รับโลกกระทำฝ่ายดีนี่โศกไหมโศกหรือไม่โศกแน่นะโศกนะรับฝ่ายดีก็โศกเขาบอกว่าเขาเขามีคนเล่าว่าเขาให้ตําแหน่งเนี่ยได้ตําแหน่งสูงน่ยยังโศกทําไมจึงโศกเพราะไม่ใช่ตําแหน่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยอ้าวเขโศกไหมเขาซื้อรถให้ก็เสียใจบอกทําไมอ่ะไม่ใช่คันที่เราอยากได้ ก็เลยเสียใจมากหาเรื่องตลอดเลยนั้นเพราะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยโศกเลยบัดนี้เพื่อจะแสดงความที่ภิกษุนั้นไม่มีเหตุแห่งความโศกโดยประการทั้งปวงคือพระหานี่ไม่มีความโศกเพราะอะไรเพราะท่านตัดภวะตัณหาได้โดยสิ้นเชิงใช่ไหมภาวะตัณหาอันผู้ใดตัดขาดแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคผู้นั้นชื่อว่ามีภาวะตัณหา อันขาดแล้วภิกูุนนั้นชื่อว่าเป็นพระขีนาศพผู้มีจิตสงบเพราะสงบกิเลสที่เหลือได้เด็ดขาดวิคีโนชาติสังสารโรสงสารคือความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นเนี่ยที่สงสารคืออะไรสังสาระนะสงสารตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเห็นใจแปลว่าลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสาร โดยพิเศษเพ่อใหญ่เพราะพบใหม่ของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีอธิบายว่าเพราะเหตุที่พระอริยบุคคลเห็นปานนั้นไม่เกิดอีกต่อไปฉะนั้นสงสารคือความเกิดในพบใหม่จึงสิ้นไปก็เพราะเหตุไรท่านจึงไม่เกิดอีกควรพูดว่าท่านตัดภวะตันหาได้เด็ดขาดตัดตันหาที่นําไปสู่พบใหม่ได้ขาดสิ้นแล้วและเป็นผู้มีจิตสงบพ ะ, ะนั้นสงสารคือชาติสิ้นแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึง ไม่เกิดอีกเรียก ว, ว่าทิ้งภาระเหล่านี้จบแล้วก็จบเลยเนี่ยนะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปขนาะเดียวกันเนี่ยบางคนที่มันทุกข์มากๆเนี่ยนะอะไรนะคนที่ไม่มีอริยทรัพย์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ถ้าถ้าหมดแล้วจะดียังไงใช่ไหมคนที่ไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยนะเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นจะต้องแสวงหาอริยทรัพย์นะจึงจะดับทุกข์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ปรินิพานโดยที่ไม่มีอริยามรรคเนี่ยนะ มันจึงไม่เกิดขึ้นและเป็นไปไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นก็ต้องบ่มกุศลธรรมให้เพียรพร้อมเพียงพอจริงๆจึงจะพ้นทุกข์ได้พักสักครู่ก่อนนะท่าน